ภาราสสตะคาฐานธรรมยังภาราสสตะคาทายพนามเซนพาราฮาเวปัญจากขันธาขันทังหาเป็นของหนักเนอภ า, าราหาโรจปุคโลบุคคลแหล เป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารณิเค ป, ปนานังสุ ข, ขัง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวางครุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก สมูลังตันห้างอับพุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรกักนิชชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเลือ